سبل عالم وجعل فيها ر ا س من و ا ي ة وجعل فيها راسيا من فيها وبارك فيها و ا ن ت ص فيها وبارك فيها. أقوى ته ف ع ي ا ق ه في أربعة آيات سبعة سماوات. في <تصفيق> يومٍ. อัลลอฮ์อัล د อฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลล ا ل ل ه م بك m ص b ن k ا و s ب a h n a wa و ب ك نحي z a i n ن w و ت و k a nahiya wa b أعوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ تَامَاتِ مِنْ شَرِّمَ خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُلُّ مَعَسْمِهِ ش َ ي ْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَهُوَ س م ي ع ٌ ع َ ل ي م ر ض ِ ي ت ُ ب ا ل ل ه ر ب وبالإسلامدين و ب ُ ح م د ا ل ر س و ل ا ل ل ه م ي ن ي أ ع و ذ ب ك م ن ا ل ك س ل و س و ء ا ل ك ب ر ر ب ي أ ع و ذ ب ك م ن ع ذ ا ب في ا ل م ا ن ي و ع ذ ا ب في ا ل ق ب ر ا ل ل ه م ف ا ت ر ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ع ا ل م ا ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا د ة ر ب ي ك ل ش ي ء و م ل ك أشهد أن لا إله إلا أنت أ ع و ذ بك من شر نفسي وشر ا ل ش ي ط ش ا ن وشركي وأن أتَرِف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم أصبحنا على فترة الإسلام وعلى ك الإ ل م ل إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه و m i د وم, ا د َ كلماته ياحي ياقيوم برحمنك أستغث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس ت ش ف ع ي ن حسبي الله ونعم الوكيل S a s s a l a m u a l u m w h m a l l a h a b a r a k t h الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมานรับรอที่มสัสยิดอัญวาลิสุนนะที่คอนเครตและพี่น้องที่ติดตามรายการสวรรค์นในบ้านนะครับผ่านเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านที่รับทั้งหลายครับ الحمد لله. ดวอาทิตย์ผอ่านเมื่อกี้เนี่ยขึ้ว่าอักัฟิบ มุสลิมทั้งโลกมาีสั่งให้อาผมนำมาประมาณสักห้าหกวักห้าหกห้าหกดวอามีทั้งหมดสดิบเก้าดวอานะท่านเราต้องท่องท่องให้จาก่อนตายนะอย่างน้อยให้หาดูอาอัศการ์ตอนเช้าแล้วอัศการ์ตอนเย็นเหมือนกันนะครับดวอาเหมือนกันขอบคุณนลอลอนนะครับที่เราได้ ที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเราเนี่ยหลับไปเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาก็อย่าลืมอัลลอฮ์นะให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้กล่าวดวงอาตอนเตือนนอนว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอัยห์ยานะบะอัดามาอามะตาวะไวลายฮินมุชูรแล้วก็นะมาตาฮจุดเพราะอายุเยอะแล้ว ต้องนึกถึงความตายให้มากก่อนนึกถึงที่จะมีชีวิตอยู่นึกถึงความตายเนี่ยดีไม่จะทำให้ใครคนนั้นเป็นคนขี้ขลาดหรอกเพราะนบีสั่งให้นึกถึงความตายนมาตะหัยุธแล้วก็นมาสุนัตเมื่อได้ยินเสียงอาญาเนี่ยอย่าลืมว่านมาสุนัตก่อนนมาสุโบเนี่ยผลบุญนะดีกว่า ปัจจัยที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเนี่ยสู้นมาสองระอังก่อนนมาสุบบสไม่ได้นี่นบีพูดหนึ่งสรปีเขาทำคนทั่วโลกนั่นแหละไม่มีใครไม่ทำนะถ้าทําไม่ทนันมีซาบานบีท่านหนึ่งมาทําหลังนมาสุโบจบแล้วทํำสองระฆังนบีถามไม่ทําอะไรนมาอะไรลัชาคนนี้บอกว่าฉันไม่ทนันนมาสุโบ สุนาร์สองเรก็อัดฉันจะทำหลังนมาดนาบีเงียบแสดงว่านาบีพอใจเนี่ยต้องรักษาสุนาร์ของท่านนาบีเอาไว้ตลอดเวลาเท่าที่ตัวเองมีความสามารถวันนี้อายาที่แปดของของสุรัสรสุรัสซาดดาฮามีมซาดดาหรือฟุศสลัดฟุศสลัดนีแปลว่าอะไรแปลว่าแยกแยะ ระหว่างความจริงกับความเท็จคนก็เหมือนกันเราต้องอยู่ต้องอยู่กับความจริงนะอย่าอยู่ไม่อยู่อย่าเช่าชีวิตอยู่กับความเท็พพจพระพุทอานี่สอนเรานะให้อยู่ ก, กับเรื่องจริงจริงใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องจริงจริงพยายามอยู่ในกลุ่มคนจริงๆอย่าไปเลือกอยู่กลุ่มกับคนที่คนที่อยู่แบบชีวิตผ่านไปวันนวันนึงวันนึ ง, นน ง, นนงมาได้ทาอะไร งานของอัลลอฮฺผ่านนาบีเลยอย่าอยู่อย่างแบบนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามาเราอ่านประมาณกี่อายะนะเจ็ดอายะาวันนี้ขึ้นอายะที่แปดขอยอ้ยอนย้อนนิดหนึ่งคืออาหรับมุชลิกีนเนี่ยเนี่อัลลอฮฺเล่าในกะฟิครานะในตำสลิ่อธิบายบอาหรับมุชริกเนี่ยเขาวางแผนทําลายนาบีทาลายอิสลาม เขาก็ต่อตานี่ออลอสเก็บประวัติศาสตร์ไปหมดเลยเก็บประวัติศาสตร์ละเอีดอดยดยิบอยู่ในตำสิท์หมดเลยอ่าถัดดูตำสิทธ์หลายๆเรื่องก็จะพบโอ้มีหัวคนหนึ่งชื่ออุตบะบินรอเบียคนนี้พูดจาคล่องหน่อยพูดจาดีหน่อยนั่งประชุมกันที่ลานมัสยิดกะบะปัจจุบันนี้แหละ น บ, บีนั่งอยู่คนเดียวกลุ่มนี้นั่งกันหลายคนเห็นหน้าน บ, บีนั่งอยู่ในลานกลางว่าเขาบอกให้ hey, หาใครคนที่พูดจากเก่งๆเนี่ยไปคุยกับมอมัดให้มันง้ายไปเลยอ่าคุยทงนองนนะอเงี้ยนะกะอุตบ้านี่ก็ถูกเลือกในกลุ่มบอกเองออกไปอุตบ้านก็ไปไปถึงก็ไปไ ป, ไปนั่งกับน บ, บีไปถามน บ, บีบอกว่า คุณกับพ่อคุณคุณกับปู่คุณอัมดุลโมตาลิพ่อชื่ออะไรนะอัมดุลละเนี่ยใครดีกว่ากันนันดีก็นั่งฟังเฉยเขาบอกมีแล้วก็คุยคุยกันแล้วกันคนนี้ก็คุยบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณเชื่อว่าพ่อคุณดีกว่าปู่คุณดีกว่าคุณเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรเขากราบอะไร เขากับเจวเวตกันหมดเลยอ่ะฉะนั้นเมื่อเมื่อคุณมั่นใจว่าพ่อคุณดีกว่าคุณปู่คุณดีกว่าคุณเขานับถือเจวเวตกันอ่ะแล้วคุณมาตําหนิเจวเวตวันนี้ให้เลิกเจวเวตให้นับถืออัลลอฮ์องเดียวเนี่ยคุณคิดดูให้ดีอ่าพูดตรงตร ง, งนี้ข้อที่สองเสนอบอกว่าให้หยุดสอนอิสลามได้ไหมเองเนี่ยทําให้ อารับเนี่ยแบ่งออกเป็นกบเป็นลาวแตกกันหมดเลยอะ่ะข้อที่สองหยุดสอนนะถ้าต้องการเงินเราจะรวบรวมเงินให้ให้รวยที่สุดในในซาอุดีเลยอลไรนะันถ้าต้องการตาแหน่งทางก็จะเลือกภูคูณ ใ, ให้ใหญ่สุดถ้าต้องการผู้หญิงทางก็จะไม่เลือกบ้านไหนสวยๆนะให้สักสิบคนเอา คุณมีผู้หญิงด้วยมีเงินด้วยมีตำแหน่งสูงสุดเอาไปเลยแต่หยุดสอนอิสลามอย่าทำงานได้ว่าอิสลามหยุดให้หมดนบีสาวพูดหมดยัง <c oughs> พอพูดจบนบีก็อ่านอ่านอ่านคุานรานเนี่ยสุรานี้แหละอ่านไปสิบสามอายอายที่สิบสามเนี่ยที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยมันมีอยู่สับอยู่ สองสามคำเช่นอะไรบ้างฟอนอรอุ่นี่ยละมาถึงอายานี้ซึ่งมีความหมายว่าถ้าพวกเขาปฏิเสธหันหลังให้กับอิสลามฉันขอเตือนคุณฉันขอเตือนคุ ณ, น, น, คณนะ จะมีสออีกก็แปลว่าภัยพิบัติการลงโทษอันรุนแรงเหมือนครเหมือนการลงโทษหรือภัยพิบัติอาจกับสมุทรในอดีตที่ผ่านมาพออ่านมาถึงอายานนี้ปั๊บนี่เป็นวะฮิ ม, มาจากอลัลลอฮ์นะน บ, บิอาเนะี่ยท่านรั บ, บิอาร์ลุกขึ้นเดินกลับไปหาพวกเขาถามว่าเป็นไงมู ม, มัดหน้าไงายไห เราไอานตอบเขาว่าเขาอ่านอะไรเขาไม่รู้เป็นภาษาอาหรับฉันเข้าใจอยู่ว่าวสุดท้ายว่าเดียวเข้าใจว่างไงนะฟอินอรดูฟลอันรุกุมซออกอตัมมิลอกอติอาวมฉันเข้าใจตรงนี้นิดเดียวฉันขอเตือนคุณคำแปลนะภัยพิบัต จะมาหาคุณเป็นการเป็นภัยพิบัติเป็นกา ร, ร, าการลงโทษเหมือนอาสกับสมุทรพวกคุณคงขอเตือนคุณนะโลกเื่ออย่าไปยุ่งกับมอมหมัดเลยถ้ามอมหมัดนี่นะฉันอ่านฟังจากภาษาที่เขาพูดนี่นะฉันไม่เข้าใจอ่ะแต่เข้าใจวัลลภสุไทยวังที่สิบส า, า, าที่จะอ่านวันนี้นะฮนะนั่นแหละมอมหมัดนี่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะ เมื่อเขาเป็นใหญ่แล้วเนี่ยอาหรับจะเป็นใหญ่ในโลกใบ น, นี้แล้วก็พวกเราเนี่ยเดินตามมาุฮัมมัดร่วมกับ ม, มุฮัมมัดไม่ดีกว่าหรือเพื่อนที่นั่งกันอยู่แล้วเจ็ดแปคนว่าเอาแล้แเราเองเพียนไปแล้วไปนั่งกับ ม, มุฮัมมัดไม่ถึงยี่สิบนาทีนี่กลับมาสมองเพียนหมดแล้ว<笑><笑>นี่ที่มาของอุลัานซรอนี้ฉะนั้านโซรอนี้เนี่ยถ้าอ่านให้เข้าใจนะั้น เราจะสอนกลุ่มคนชั่วกับกลุ่มคนดีอยู่บ้านเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันเข้าใจนะ อ, อย่างนี้เป็นต้นามาเจออายะที่9ที่8อินนนลดีนอามนูวะมิลุสาลิฮัดลาอุมอจรุนไรุมัมโน <ون> อินนั้น الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الحمد لله อะยี้ให้กำลังใจทั้งคุณทั้งโลกไนะให้กำลังใจใครหรือเปล่า ให้กำลังใจคนที่อีมานอีมานหข้อนะแล้วก็คนที่ทำอามันทิซอและทำงานศาสนานมาศอ่านโคห น, น้าอิกรุลล็อกทำงานด่าวะเชิญชวนคนให้รู้จับอัลลอฮฺแม้แต่คนในครอบครัวตัวเองก็เชิญชวนได้นะครับทงหมดเหล่านี้มีรางวัลตอบแทนอะไรอาญานี มาดูสับอินนัลลาีนะแท้จริงบรรดาผู้ที่อามานูหมายถึงอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีมานต้องหกข้อนะถ้าถ้าอีมานตามที่ท่านฮัสซันบัซซารนะีอธิบายภาทาคุณเป็นมุมินเปล่าถ้าอีมานหกข้อเนะี่ยท่านเป็นแตกเมื่อใครที่ได้ยินคุณอ่านและกลัวอัลลอฮ์เนี่ยท่นจะเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้ อย่างน้อย إ ي ม ا ن หกข้อต้องอยู่ในใจเราแล้วนะฉะนั้นใครที่มี إ ي ม ا ن หกข้อแล้วก็มีอามันที่สอนแล้วเช่นลมาดห้าเวลารอมฎอนจะมาแล้วอ่านอัลกุรอานบริจาคสม่ําเสมอแล้วก็ขออุทิศสม่ําเสมอจุรุลลอฮ์สม่ําเสมอดูแลภรรยาอย่าดาภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าทะเลาะกับลูกอย่าด่าลูกยืนด่าคนต่อหน้าคนก็ผิดทั้งหมดนั่นแหละ ท่านี้มารยาทอย่างนี้น่ะมุมินทุกทุ่งโลกน่ะเขารักเขาระวังเขารักษ า, า, าตัวเองไม่ให้มันอะไรนะทำอะไรผิดพ้าผิดต้องตบตาตัวต้องเสียใจต้องร้องไห้ก็ดูนิสัยของไซนาอุมัดใช่ไหมก่อนจะรับอิสลามน่ะโหดแค่ไหนอะ่ะดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ตบหน้าน้องตัวเองใช่ไหมจนกระทั่าทางเลือดไหลใช่ไหมท่านทาทําไมอะ่ะ เพราะในใจมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มี إ ي م านไม่มีอัลลอฮ์พอมารับอิสลามแล้วนิสัยเปลี่ยนหมดเลยอ่ะจากคยเป็นคนที่โหราด่าคนนั้นดาน่าคนนี้ตบหน้าคนนั่นตบหน้าคนนี้พอมารับอิสลามนี่นิสัยเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่าโอ้เราถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเวลาถูกรังแกมีไหมมีถูกเอาเปรียบมีไหมมีเราเอาเปรียบเขาก็มีเขาเอาเปรียบเรา บาคนก็สำนึกตัวก็เยอะบางทีเขามาถึงนึกตัวต่อหน้าพอสมนึกตัวในสลาวิ่เขาก็ร้องให้ร้องโหม่ฉะนั้นชีวิตผู้ศรัทธาตอลอดนั่นพอฟังสักนาแล้วหัวใจมันเปลี่ยนตลอดเวลานะทีนี้ได้อะไรคนที่มีอีมานกับคนที่มีอัมาันที่ศอแล้วลาหุมแต่ ว, ว่าสําหรับพวกเขาอาจรุนแปล ว, ว่ารางวัลนะ อาจุรุนแปนว่ารางวัลว้ยรุมำนูนรางวัลที่ม่สิ้นสุดไม่ขาดสายได้ตลอดเลยต้องจารอธิบายอย่างนี้ตอนนมนมเนี่ยวันนี้เรามาสุราวกันใช่ไหมผมนี่แก่แล้วนะแปดสิบแล้วอายุเพราะนั้นตอนนมนมเนี่ยเรามามัสยิดสม่ำเสมอ พ อ, อต่อมาเราเกิดไม่สบายนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านหรือออกเดินทางใช่ไหมเห็นไปค้าขายในต่างประเทศในต่างเมื่อต่างเมืต่างจังหวัดไม่ได้นามาัดตรงเวลาบ้างอะไรบ้างหนึ่งไม่สบายสองแก่ชาราสามนอนติดเตียงหรือออกเดินทางไม่ค่อยได้อยู่ในมัสยิดมากดีไหม ถ้าหากตอนหนุมน่มๆเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่กับมัสยิดอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับศาสนาพลบุญของเขาได้เต็มเหมือนเขาอยู่บ้านพอแเขาเลยนี่ปอบใจขยันปะใจย่างฉะนั้นเรามีลูกมีหลานนี่ถึงให้ลูกมามัสยิดกพราอะไรคนลูกเรามาเนาะมาที่มัสยิด ต, ติดแล้วใช่ไหมเวลาเขาแก่ชราขึ้นไปเน่ยเขามาสู่เราไม่ได้มาไม่ไหว มาสบายป่วยนอนนอนนอนเตะเตียงนี่กันเยอะแล้วใช่ไหมผมลองไปเช็คทุต่างบ้านสินอนเตะเตียงกันเยอะมากอ่ะนอนเตะเียงนั่นแหละผลบุญได้กับเหมือนเขาตอนมาที่มัสยิดตอนหนุ่มๆเลยด้วยตอนสาวๆเลยนี่ปอกกระปอกใจในตัฟซีลอธิบายหลายเล่มนะบอกว่าให้กําลังใจคนป่วยให้กําลังใจคนชรา ให้กำลังใจคนที่เป็นโรคเรื้อรังข้อที่4ีให้กำลังใจคนที่นอนติดเตียงใช่ไหมมีผลบุญเหมือนตอนที่เขาหนุ่มๆสาวๆที่เขาทำงานศาสนาของอัลลอฮสุบฮานาห์วะตาลาสบาใจไหมนี่ไงท่านอานายานีให่จามฉะนั้ น, นสุรฟุตสิลัดนี่น่ะแยกแยะระหว่างคนดีกับคนไม่ดีที่เขาถ้าคนไม่ดีอะ เองน้องเตะเตียงนผะลแล้วบนไหมไม่ได้เลยไม่สบายอยู่ที่บ้านไปหาหมอกลับมามานอนต่อผลแล้วบนมีไหมไม่มีนี่แตะแค่นี้พอนะ๋ยวาเขาดาอยู่อิสลามเนี่ยโหดร้ายแล้วอีกคนอานเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นอยู่กับอิสลามนี่แหละนะอยู่กับอลัลลอฮ์กับรอซูนอิมานต่ออัลลอฮ์เรียนศาสนาสม่ําเสมอจงกว่าจะจะจะแย่นี่เห็นนะ เวลาเราไม่สบายมาโซเราไม่ไหวผลบุญเหมือนกับมาโซเรานั่งอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านนั่นแหละผลบุญอินเคซินเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาคาว่าไวรุมามนูเนิในตำสืบอธิบายไปว่าไวรุมักตัวไวรุมามนัวไม่มีอะไรยับยั้งได้ตลอดเลย ถ้าตายไปแล้วลูกที่ซอ้อนแล่อยู่ทำความดีพ่อแม่ได้อีกนี่เห็นยังฉะนั้นมีลูกเอาไว้แต่งงานซ ะ, ะแต่งงานแน่นอนมันมก็ต้องเหนื่อยอยู่มั้งดูแลลูกดูแลภรรยาใช่ไต้องออาเงินให้บ้างมันมีรางวัลทั้งหมดฉะนั้นมีลูกเอาไว้พอพ่อตายแม่ตา ย, ตายนอนอยู่ในกุโบถ้าลูก ไม่ใช่ลูกอามันติซอแลนผลบุญมันก็นไม่ถึง้าลูกขอดูอาด้วยบริจาคด้วยเดินมามั ส, สยิดด้วยอัลลอฮฺอุอักบัดผลบุญได้กับแม่ได้กับพ่อมุนเลยนี่ใครเล่าพ่อะนาบีลเล่าให้เราฟังฉะนั้นมีผลบุญต่อนเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมาอายะที่เกกุลอินนักุม لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل أينكم لاتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أ ن د, د ا ً ا ذلك رب العالمين الحمد لله الله أكبر เราต้องรับก่อนนะว่าอัลลอฮ์สร้างโลกใช่ไหม แผ่นดินอัลลอ์สร้างใช่มั้ยชั้นฟ้าอัลลอ์สร้างใช่ไหมเขาสร้างอะไรก่อนระหว่างแผ่นดินกับชั้นฟ้าเนี่ยเดี๋ยวรอดเล่าให้ฟังเล่าในรายละเอียดไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เราคนเชื่ออิมานเพิ่มเลยแหะกุลมาดูสับนะมัดเออยจงประกาศจงดาวะจงสอนตามเลกนี่แหละออินนกุม นี่เป็นคำถามเนี่ยพวกท่านปฏิเสธลาตักฟูรูนาบิลละดีพวกท่านทั้งหลายให้จะปฏิเสธกันนั้นหรือใครครับอัลละดีคขล้กอัลลอปฏิเสธผู้ที่สร้างชันฟ้ามาถึงอัลลอฮคุณนี่กล้าปฏิเสธ ผู้ที่สร้างชั้นฟ้าหรือนี่อธิบายว่าสร้างแผ่นดินเนี่ยเขาแล้วก็อัลลอสร้างแผ่นดินนี่กี่วันยาวไหมนี่สองวันมีเล่าในรายละเอียดให้ฟังในอญญายะอื่นๆนะอธิบายอย่างนี้อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินหกวันไอคําว่าวันนี่ยับตับเซนมาจีดี้อธิบายว่าไม่ใช่วัน24ชั่วโมงนะ วันหนึ่งของอัลลอ์เนี่ยคอมซีน่ะอัลฟาซนาห้า0มืนปีห้าสิบพันปีในตักน ก, กุรานะห้าสิบพันปีนะ่ะวันหนึ่งของอัลลอ์ถ้าสองวันเท่าไหร่ก็แสนปีที่มนุษย์นับนี่แสดงว่าอัลลอ์นี่เล่าในรายละเอียดให้ฟังบอกว่าแผ่นดินกับชั้นฟ้านี่นะชั้นสร้างมาและสร้างอะไรก่อน ขอลก็ลอาละสร้างแผ่นดินก่อนกี่วันเยาวไหมนี้สองวันไม่ใช่วันยี่ี่ชั่วโมงนะในตำสิบมาจีดีภาษาอุตสที่ผมอ่านนะครับวันหนึ่งประมาณคอมซีนอัลฟสณนะห้ามืนปีเรายังอยู่ไหนยังไม่รู้เรายอยู่ไหนยังไม่รู้เลยวิญญาณเรามีแต่ยั ง, ย, ย, ง ย, ยังไม่มีวันนั้นอยาเราเล่านะครับเด็กอ่านให้ฟังว่า ดุนยามาอย่างนี้นี่นะคุณปฏิเสธอัลลอ์กันนั่นหรือผู้สร้างชั้นฟ้าแล้วกแผ่นดินนี่สร้างแผ่นดินก่อนนะกี่วันยาวไหมนี่สองวันไม่ใช่วันย4สีชั่วโมงนะวันละเท่าไหร่ห้าหมื่นปีบางบางอายย์อธิบายว่าพันปีพันปีกับห้ามื่นปีโอ้เเราตายกี่ครั้ง อัลลอฮ์ให้มัาฬิกาขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยมนุษย์นับได้ห้าหมืนปีหรือพันปีขึ้นห้าร้อยลงห้าร้อยคิดดูสิอ่ะฉะนั้นมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะขึ้นไปบนชั้นฟ้าสูงไปพบกับอัลลอฮ์อย่างอย่างอย่างนบีปานีนะคนอื่นไม่มีสิทธิ์ครับถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดโอกาสนะไม่มีสิทธิ์ครับนี่อย่าตะการบดอย่าเยื่หยิงอย่าจองหองอย่าอวดดีอย่าปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์มีครับ อัตอมักับวัตตาจารุนัลลาห์อันดะดะวัตตาจารุนแปลว่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งละหูต่อพระองค์อันดาดาันแะว่าคู่แข่งกันนั่นหรือเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้นบีมาสอ์พวกเอ็งจะแข่งกับ อ, อัลลอฮ์หรือมาตั้งคู่แข่งกับอัลลอฮ์กันนั่นหรือ อัลลอฮ์นะเล่าให้ฟังว่าฉันสร้างแผ่นดินก่อนนะฉันฟ้าที่หลังนะสร้างแผ่นดินกี่วันสองวันสองวันให้เท่ากับแสนปีใช่ไหมแล้วครูจะไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์กันนั่นรึออ่านี่ถามพวกเราสบายแล้วอัลลอฮ์ไม่หมันไส้แล้วแต่คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมของนบีนะจะต้องมาสอนศาสนาอบรมกันเตือนกันฉะนั้น หยุดสอนได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ในเรื่องอัลลอฮ์ในเรื่องใหญ่นะยิ่งอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินสองวันสร้างยังไงนี่ก็ต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมโอจะโอ้ค่อยคอธิบายคนก็ค่อยรู้เองก็ค่อยรู้ก็ค่อยรู้ทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยต่อมาครับลาลิกะ รอบบุญาลาเมิาลาเรียกไปว่านั่นคือไอ้ที่ทำแบบนี้นะนั่นคือใครรู้ไหมรอบบุญพระผู้อภิบาลอลาลามแปลว่าสากลละจักรวาล น, นี่แหละเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลลจักรวาลแหละนี่แหละอลัลลอฮ์แหละงา น, นมนุษย์เนี่ยอย่าไปเอาสมองตัวเองไปวัดเลยมันหมดเข้าไม่ถึงเราแค่ แค่ห้า0มืนเป้นี่จบแล้วฉะนั้นรอรอบ น, อบนอบ้องถมตนต่อรอจะเชื่อตามยอมรอสั่งดีกว่าสบายใจไหมสบายใจละฮัมดุลิลอาอธิีนี้ในตัสิทธอิมมุกซิสเนี่ยอธิบายดีนะนะบอกว่าคำว่าสองวันเนี่ยวันไหนวันอาทิตย์กับวันจันทร์ อัลลอฮ์สร้างชั้นชแผ่นดินนี่นะวันอาทิตย์กับวันจันทร์วันอาทิตย์กับวันจันทร์สองวันแต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยเท่าไรนะห้าหมื่นปีใช่ไหมนี่มีตัฟซิดอินุลกซีดทางภาษาอาหรับภาษาอุรดูภาษาอังกฤษผมเช็คหมดเลยนะสร้างสองวันวันอาทิตย์กับวันจันทร์ท่านมุสลิมมืรู้อย่างนี้แล้วต้องนอบนอบต้องถมต้นตร้อ อย่างนี้วารที่ใช่มามต้องสุดยุทอัลลอฮฺอัลลอฮฺเจ้านาอัลลอฮ์สร้า้นฟ้าอัลลอฮสร้างแผ่นดินมาอัลลอฮ์แล้วก็แผ่นดินเป็นไงมองดูสิถ้าตะกุกตะกากไงอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นภูเขาตังโมดอัลลอฮ์อัคดนี่ให้มีบ่อให้มีน้ําให้มีนู่นมีนี่อัลลอฮ์อัคบดขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนะทำทำไมอ่ะมนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องเหล่านี้เอ็งไปเหนื่อยเรื่องทําอิบาด้านนูน ไปหนึ่งก็ลุกขึ้นมาแต่ฮัจยุดไปเหนื่อยเรการทำดีกับพ่อแม่ตัวเองทำดีกับลูกๆ ก, กับภรรยากับญาติพี่น้องไปทำดีไปเหนื่อยเรื่องอื่นไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องโลกดุนยาฉันดูแลรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียวอย่างดีบดิบตนทีนี้ในตัำสินอธิบายว่าสร้างสี่วันเอ้ยสร้างสองวันเนี่ยวันอาทิตย์เดวันวันจันทร์เนี่ยข้อข้อที่หนึ่ง เมื่อสร้างแผ่นดินแล้วข้อที่สองสร้างภูเขาอข้อที่สสร้างต้นไม้แล้วก็มีแม่นงแม่นม้ํามีทะลงทะเลเนี่ยรายละเอียดเล่าไห้ฟังหมดเลยฉะนั้นอย่าไปกราบภูเขาอย่ากราบทะเลอย่ากราบแม่นม้ำอย่ากราบต้นไม้ให้กราบใครกราบอลาัลลอฮฺผู้สร้างชาน้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืน อ, อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อาตมาอายะที่สิบ و َ ج จะเล่า فيها ราวซีอามิَ่ฟ้าอุ ا ิฮะว่าเบอร์ก้าฟีฮะว่าคดด์ลฟีฮะอควาตฮะฟีอัรบะต์อัยยามสวัสดีสไปลีนะฮัมดุลิลลาะแปลว่า و ่าจะ ada فيها ر و, في و ر في ا ِ ي ا ء م ي ن ف و <ت ص في> ق ِ ه ا وبارك فيها وقد رفيها أقواتها في أربعة أيام سواء الأرسلين a l l a h u a k b a r ยิ่งใหญ่ครับ อายานี่มีอยู่หลายประเด็นหลายประเด็นที่หนึ่งยาลาแปลว่าเราสมทำหรือสร้างฟีฮาในแผ่นดินในโลกนี้ยในแผ่นดินเนี่ยสร้างอะไรรู้ไหมยรวาซียาแปลว่าภูเขาสร้างภูเขาสาเหตุที่สร้างภูเขาเป็นอย่างนี้ ตอนที่อลัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาเนี่ยแผ่นดินมันก็คโครมเพลงแบบแผ่นดินไหวนั่นแหละมนุษย์ยูนลาบากมากบนมลายกากร็รายงานอาลัลลอฮ์ฟังอลัลลอฮนะ์นั่งรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ต้องบนเนี่ยบอกว่าไม่น่าอยู่เลยแผ่นดินใบนี้คโครมเพลงอัลลอฮ์เดี๋ยวฉันจะจัดให้ไม่ให้คโครมเพลงสร้างภูเขามา โอโลเนราวาซีเนี่ยแปลว่าภูเขาเทือกเขาในโลกนี้ภูเขาเยอะไหมละ่ะเยอะอย่างเรียกย่างใหญ่ย่างภูเขาอุคอตในนครมักางนะที่มาที่มารีนาเ น, น่ยนาหนามีว้ทําอะไรอะ่ะแต่มีประวัติศาสตร์ที่เราต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะภูเขาอุคอตอย่างนี้เป็นต้นว า, ยายาาวาจาลาฟีฮ์รวาซียและอลัลลอฮฺได้ทรงทําให้แผ่นดินนี้มีเทือกเขาที่มั่นคง มมมฟาลกิฮาอยู่บนแผ่นดินอยู่บนดินใบนี้ในภูเขาที่มั่นคงอัลลอฮฺอักบารนี่ต้องขอบคุณอัลลอ์เลยนะต้องสุดยุทแล้วนะอัลลอฮ์อให้ภูเขามาถ้าไม่มีภูเขาไปไงโครงเครงอย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับวาบารกาฟีฮาบารก้าบารกาแปลว่าความจำเริญอัลลอฮ์ได้ให้ ความจำเริญกับแผ่นดินนี้ความจำเริญเนี่ยอุลมะอธิบายว่าให้มีต้นไม้อให้มีต้นไม้ให้มีนูน่นมีนี่มีอะไรแต่ไรเต็มไปหมดเลยใช่หรืไม่ใช่มันจะมันจะขึ้นเองนะเอาเราจัดให้ขึ้นรอเอฟวอทให้ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้เพื่อมนุษย์มนุษย์นี่เอาเราสร้างสร้างที่หลังสุดเลยนะ สร้างแผ่นดินมาให้ภูเขามาแล้วก็ให้ต้นไม้เวลามนุษย์มาเนี่ยมาอยู่สบายเลยไงไม่ต้องมานั่งเหนื่อยอยู่แล้วไม่ต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแล้วเอาต่อมาครับว่าก็ดารอฟรีฮะแล้วกาหนดก็ดาร์ลแปลว่าทรงกําหนดฟีฮะในแผ่นดินให้มีนูน่นมีนี่มีนี่มีนั่น ต้องเรียนถึงจะรู้ถ้าไม่เรียนก็ขณะท่านเห็นยังนี่โอ้นี่อรรถธรรมหมดเลยมีครองมีมีแม่น้ามีมีลําธารมีเรามีฝนตกลงมาโอ้ทำด้วยเลยเลยเนี่ยก้อนอรรลอรรถได้กําหนดได้ตักดีสน่ะให้มีนั่นมีนี่มีนี่มีนั่นต่อมาครับอกวาตาอควาแปลว่ากูตุนอาหารนี่เมตายัง ให้อาหารมาอ่ะมีี่เรอเรียนมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมามีสัตว์ใช่ไหมมีคู่คู่ใช่ไหมมีอูดคู่แพะมีแล้วก็มีไรอัวใช่ไหมอูดเป็นคู่คู่คู่ ค, คู่นี่เป็นอาหารแล้วก็สำหรับเอาไว้ขี่ด้วยนี่มาจากอัลล์เล่าในรายละเอียดสร้างอาหารนี่นะกี่วัน ฟีอร์บาติอยามสี่วันวันนึงมันจะยิบสีชั่วโมงนะวันนึงห้ามื่นปีแล้วสี่วันกี่ปีสองแสนปีอลมาบางคนอธิบายว่ามนุษย์นี่นะอ่านกุรานอายาเนียยังกลัวอีกกลัวจนกูไม่กล้าให้ใครกลัวจน มีที่อยู่แปลงนึงอะโวมึงยกแตะนะก็ไม่แตกก็ไม่มีปัญหาอย่าลืมว่าล้อนะเลี้ยงมนุษย์นะสร้างอาหารกี่วันสี่วันสร้าง ช, ชางสร้างแผ่นดินสองวันสร้างชั้นฟ้าสองวันสร้างอาหารกี่วันสาาี่วันาาแลว้วกลัวจนเ่ยยิวดีมันก็เป่า ระวังนะมีคนเยอะมากนี่มันจะมาแย่ยงอาหารกันจีนอัลลอัอกรแผ่นดินของอัลล อ, อนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลคนจะเกิดเท่าไหรก็แต่อัลลอจัดการเองงานอย่างนี้เองไม่ต้องมาแข่งอัลละฮฺเองไปทำงานเรื่องสูญูดนุ่นเรื่องเชิญชวนคนให้รู้จัก อ, ลอัลลอนุ่นให้กราบอัลลออย่าไปรกราบสิ่งอื่นนอกจากงานเองน่ยมีแต่เองไม่ทำ ดัเอางานเอาลอมาทำมาทุก ว, วันนี้ใช่ไม่ใช่ไปรู่มนุษย์ระวังงานจะอดตายนะอย่าบริจาคเยอะนะอย่าให้ใครนะะเก็บคนเดียวนะพีดหมดเลยอาหารเอาลราสร้างกี่วันเห็นไหมชัดไหมอ่านได้อ่า น, หล า, าน ห, ลาหลายเที่ยว ว, ว, ว, ว่าก็เดาราฟีอาควาแปว่กูตุนกูตานี่อาควาแปลว่าอาหารหลายชนิดด้วยนะไม่ใช่ชนิดเดียวฟีอัลบาติอายาใน4ระยะอัลลอฮฺอักบัแล้วกลัวจนกลัวตายกลัวจะไม่มีอาหารจะกินไม่ต้องเองทำงานาศาสนานั่นแหละอาหารเนี่ยชื่อเสียงตำแหน่งเกียิยศ มันจะคลานมาหาคุณที่เท้าคุณนี่แหละถ้าคุณทํางานศาสนานะ่ะถ้าเองน้ำเฉยๆนะเองก็ต้องเหนื่อยอะ่ะเองไม่เอาฉานตัวอย่างนึงเนี่ยนี่ขนาดไม่เอาอัลลอฮยอ์ยังให้ใช่ไหมอาฟาโรตัวอย่างฟาโรไม่เคยสะอยู่ต่ออัลลอฮ์เลยอนะ่ะไม่เคยให้จามอ่ะไม่เคยให้เป็นวัดนะ่ะ ท, ทั้งๆที่สุดขรยศต่ออัลลอฮ์นะส่งนบีมูซามาสอน ส4 0ี่ ส, สปีนะัดดานบีมุซาตลอดนะ่ะสุดท้ายตอนวิญญาณจะออกจากร่างใช่หรือไม่ใช่คืออุล ว, วาไงอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอาลัลลอฮ์มีองค์เดียวอลัลลอฮ์ว่าทั้งชีวิตมึงทยศมาตลอดแล้วจนจะมาอิมานตอนฉันตอนที่ความตายมาถึงกระหอยฉันไม่รับอย่างนี้เป็นตน้นทดลองว่าสร้างอาหารทีวัน สี่วันใช่ไหมอักวาแต่ว่าอาหารสร้างสี่วันแต่มนุษย์ยังกลัวเพราะคนที่ขู่ให้กลัวมีไหมมีคือยิวูดีนี่แหละไม่ให้ใครแก็บว่าละมันนะครอบครองเงินเนี่ยทั้งหมดเลยมีคนก็ส่งขามาให้ผมเงินที่อยู่ใต้ดินกับเงินที่อยู่บนดินเนี่ยเงินที่อยู่ใต้ดินนี่เยอะกว่าเงินที่อยู่บนดินนะและใช้ไม่ได้ด้วยแกะยิวูดีวางแผนเอาไว้ะ ฉะนั้นเงินที่อยู่ใต้ดินนี่เต็มไปหมดเลยนะเอามาใช้ไม่ได้แต่เงินที่อยู่ในที่สว่างเอามาใช้ได้จะนั่งวันนี้คามีต้องการจะเอาเงินที่อยู่ใต้ดินเอาออกมาคำนอกให้หมดเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีนี่เป็นความคิดไม่ใช่ยิวนะรัสเซียจีนอินเดียรวมตัวกนันการเป็นสองสองข่ายแล้วน ะ, ะศึกษาเรื่องการเมืองดูสั ก, การาชเป็นสองข่ายแล้วข่ายข่ายฝั่งแค่นเนี้ย ภาคฟังเอเชียเนี่ยต้องการที่จะให้เงินที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเอาออกมาพัฒนาคนดูแลคนดูแลศาสนาของอัลลอฮ์ให้มันเจริญก้าวหน้าแต่คุณยาฮูดีมันก็ขวางขวางสุดๆมั น, นเงือนนั้นนะวันลัะอรกจดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าอะไรเพราะอย่าลืมว่าอัลลอะ์ดูแลโลกใบนี้อยู่นะครับ ชาวอันลิซาอิลสนาวเขว่าเท่ากันอัสซาอิลินผู้ที่ไต่าถามคำว่าไต่าถามอันจบายอย่างนี้ใครที่อยากจะรู้กับคนที่สแสวงหาอาชีพนี่น ะ, สะแสวงหาอาชีพบนดุนยานี่ได้เลยเพราะอัลลอฮ์จัดริสกีไปแล้วกี่วัน สี่วันแล้วกลัวอะไรคุณออกไปสิแสวงหาฤากีของอัลลอฮฺแต่อย่าลืมนมาศได้เวลาก็ต้องนมาศได้เวลาก็ต้องจาาใจสะอาดไม่ใช่ไปแล้วก็ดูแลไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเอาคุร า, อ า, านอัจรานี้ท่องให้จําอัลลอฮฺสร้างอาหารกี่วันสี่วันแล้วกลัวอะไร ทำไมจึงกลัวเพราะเราไม่เคยอ่านอ่ากคุณอ่านพออ่านคุณอานระยะนี้ใจมาเลยห้ามดูลิลาบอกบอกอย่าลืมนะวันนึงไม่ใช่24ชั่วโมงนะวันนึงเท่าไรสี่ห้าหมืปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับสร้างแผ่นดิน2วันสร้างอาหารกี่วัน4วันอย่างนี้เป็นต้นครับมาต่อมาครับย่าที่11 ทูมัสตาวะอิลลาสอมาวะฮิ د ُ خ َ ا ن น فقال له وللأرض إئتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا ط ِ ع ي ن الحمد لله ซุ่มมสตาวาริลสมะวัยยาดุฮอนฟากอละลาฮ์ وللأرض إئتِياأطع عن أوكرها قالتا أتينا ล่นี่สอนนักวิทยาศาสตร์ เมื่อสร้างแผ่นดินจบแล้วสร้างแผ่นดินนั้นแล้วก็สร้างอาหารจบแล้วแผ่นดินกี่วันสร้างแผ่นดินสองวันสร้างอาหารสี่อีกคนมีอิมาตอนล่เขาไม่กลัวเรื่องจนเอาละให้ต่อมาซุมมัสตาวาอัลลอฮ์มุ่ง อิสตาวะนีแปลว่ามุ่งบนท้องฟ้ายังไม่มีอะไรหรู้ไหมซุมมาสตาวะอิลลสมาอัลอลอฮ์มุ่งยังชั้นฟ้าขณะนั้นเนี่ยชั้นฟ้าเป็นอะไรหรือไหดุคอเป็นหมอกเป็นควันอยู่นี่อธิบายให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมาก่อนชั้นฟ้าไม่มีอะไรเลยสร้างแผ่นดินก่อน สร้างอาหารก่อนแล้วก็มุ่งยังชั้นฟ้าชั้นฟ้าวันนั้นเวลามีมี s m o อ e อะมีดุครอนมีไอ ม, มีมีควันหมอกมีหมอกควันไม่ใช่มาจากไฟนะเอรมสิทธิอธิบายไม่ใช่มาจากไฟนะที่เลาจัดให้พิเศษเลยเนี่ยเป็นก้อนเมฆใหญ่ๆเ ป, เป็นอะไรเน่ยเป็นหมอกเป็นควันอย่างนี้เป็นต้น ฟาก็กละละอัลลอฮฺสร้างชันฟ้าคืงสองวันเหมือนกันฟาก็กสร้างชันฟ้าทำเจ็เลยนะอัลลอฮฺได้ความรู้ทั้งหมดเลยนะฟาก็ละละอัลลอฮฺลลอลลได้กล่าวแก่ชันฟ้าวาลิลอัลดีแล้วก็กล่าวกับแผ่นดินเมื่อสร้างจบแล้วนะสั่งดำอิตียทั้งสองเนี่ยจงมาจงมหาฉัน คำว่ามหาฉันเนี่ยจงเชื่อฟังฉันอ่าตะวันเต็มใจเอากระหันหรือไม่เต็มใจแบบอิดเอื้อนก็ได้มาแบบเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้วันนี้มนุษย์มนุษย์เนี่ยมีสองสองพวกนะเข้าหาอัลลอ์แบบเต็มใจมีไหม มีอย่างพวกเราเต็มใจเลยพันเปอร์เซ็นต์เสั่งอะไรครับครับครับทําเลยเราขึ้นนมาทหารยุทธ์ทำครับทาครับบริจาคจ่ายครับจ่ายครับไปทำฮาร์ไปครับไปครับโรคโควิดมาป้องกปกป้องครับขออนุญาครับเราทาตามอัลลอฮ์หมดตอนนี้คนนี่เข้าหาอัลลอฮ์ด้วยหนึ่งด้วยอะไรนะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่เต็มใจอลัลลอฮ์ในเยอะนะยิ่งไม่เต็มใจอลัลลอยิ่งให้ให้มันเพลินออกไปเลยเออกไปออกไปออกไปไม่เต็มใจนะเลี้ยงไหมเลีย้ยงให้บ้านมันอยู่ใหญ่คนถ้าเต็มใจเข้าหาอาลัลลอฮ์ไม่อยากบ้านไม่อยากมีบ้านใหญ่สักคนหนึ่งอันแบบนบีบ้านนาบีเล็กหรือใหญ่เล็ก คนถ้ามาอยู่กับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยไม่อยากใหญ่ไม่อยากมีเงินยุะอยากจะอยู่แบบนอบน้อมถ่อมตนแบบนบีมูฮัมหมัดหมดเลยถ้าจะมีบ้านใหญ่ได้มั่งดาไม่ได้บังคับอนี่อัลลอฮ์เล่าให้มูฮัมหมัดฟังอัลลอฮ์พูดกับแผ่นดินพวกกับชันฟ้าว่าเองทั้งสองอะไราการนี้เข้าหาอัลลอฮ์ซะมาจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซะ แบบไหนครับแบบมาเต็มใจหรือแบบไม่เต็มใจก็ได้แต่อะไรดีกว่ากันเตาอันมาก่อนนะเต็มใจมาก่อนนะและกการละานเนี่ยแบบไม่เต็มใจมาที่หลังฉะนั้นมนุษย์ก็เหมือนกันขาวหาอัลลอฮ์พวกเองต้องอยู่กับอัลลอฮ์อยู่แล้วเองเข้าใจเรื่องของอิสลามเองก็มาหาอยู่กับอัลล์แบบเต็มใจถ้าเองไม่เข้าใจ เอ็มก็อยู่กับอลัลลอฮ์นี่แหละแบบไม่เต็มใจอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ก็เลี้ยงคุณนะอย่างนี้ต้นนี่สรุปแล้วเนี่ยแผ่นดินกับมนุษย์นี่ยม็แผ่นดินดีกว่านะเพราข้าหาองอัลลออ่ะไม่ไม่มีแผ่นดินกลุ่มตรงไหนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่มีครับชั้นฟ้าทั้งหมดเจ็ดชั้นมลายกาทั้งหมดไม่รู้ว่าเท่าไร่จํานวนนับไม่ท้วนนี่นะอยู่กับอลัลลอฮ์หมดเลยครับแต่มนุษย์ทั้งหากที่ดื้ออัลลอฮ์อยู่ทุกวันนี้นะ ขนาดดื้ออะไรก็เอาไปเอาเงินไปเอาบ้านไปเอาเมียไปเอาตอนเหน่งไปเอาโลคดุลยาไปเอาไปเไปเต็มที่จนทั้งหลงลืมอย่างนี้เป็นต้นมีไหมเยอะครับอันีเป็นต้นเอาต่อมาครับกอลาตาแผ่นดินและชั้นฟ้าพูดว่ายังไงอาตนาเรามาหาเราทำสองเนี่ยได้มา แบบไหนแบบเต็มใจเห็นไหมอลัลลอฮ์ถามเงยังจะมาแบบไม่เต็มใจหรือเต็มใจก็ได้ตอบว่าไงฉันมาหาฉันจะอยู่กับอลัลลอฮ์แบบเต็มใจจนรู้ว่าดีกว่ามนุษย์ใช่ ไ, ไม่ใช่พูดได้ไหมพูดได้แผ่นดินเนี่ยจะอยูต่ต่ออลัลลอฮ์ตลอดเวลาเชื่อฟังอลัลลอฮ์ตลอดเวลาแต่มนุษย์ทัางหาก ที่อยู่บนแผ่นดินนี้แค่นั้นแผ่นดินนี้นะอาร์ตให้แผ่นดินนี่สังเกตมนุษย์บันทึกบิกอรอดไว้ด้วยคนนี้ไม่เคยสูวอยู่ต่อรดเลยเอาปล่อยไปมึงตายเมื่อไหร่นะมึงฝังกูบอกูบีบมึงอ่ะนี่แผ่นดินมันไสขนาด น, นี้แต่ตอนนี้ปล่อยอไปแผ่นดินนะเก็บบิกอรอดทั้งหมดเองเดินไปไหนมาไหนเก็บหมดเลยอ่ะ พูดอะไรไว้เก็บหมดเลยอายาไหนหรือมั้งุณอ่านอายามีผมไม่จําเลยเลยวันอรุออะไรหรือไมนะ่แล้วอัลลอฮฺให้แผ่นดินนี้เก็บเก็บบรีคอร์ทหมดเลยเก็บข้อมูลของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแผ่นดินที่เจอมุสลิมที่อีหมานต่อเราก็ดีใจว่าเองตายมา มาอยู่ในกูโบชันจกรคุณรักคุณแบบแม่ก่อนลูกอะ่ะแต่ถ้าหากว่าเองชั่วนะกูกรอกมันกันแบบรัดนะ่ะให้สิโค้งเนี่ผสานกันน่ะนี่ฮะดดินาบีอธิบายแบบนี้เลยนะอา ะ, ะนั้นแผ่นดินกับชานฟ้าเนี่ยพูดยังไงนะเราเนี่เข้าหาอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์แบบเต็มใจกอลาตาอัตนาตอมอีน ทั้งสองกล่าวว่าเรามาหาอัลลอฮ์แบบเต็มใจร้อยเบอร์เซนต์ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นครับเอาต่อมากับอายาที่สิบสองฟโาโกุนซบาสมาวดฟิอูมาิน ว َأَوْحَى فِي ك ُ ل س م ا ء أمرها و ز ي ّ ن السماء الدنيا ب م ص َ ا <ت ص في ق> ب ح وحفظ ذلك َ تقدير َ العزيز العليم ف ق َ ضاهن سبع سموات ฟี่เอาไม้น์ว่าเอาหาฟี่คุลิสัมไออัมรอฮ์ว่าใจอันอัลสัมอดุยาบมสวบีห์ว่า حفظ ذلك تقدير عزيز علي คำดุริเาลาะอัลลอฮ์เนี่เมตามนุษย์ันเล่าให้มนุษย์ฟังวฉันสร้างแผ่นดินกี่วันสร้างชั้นฟ้ากี่วันนี่เมตายัางเมตตาแล้วฟักกรอหุนนะแปลว่าอาลัลลอ์ได้กำหนดกอร์นี่กอรอกอรดัดเนี่ยละนะอ่ากอรอไปบอกได้กำหนดใครไ้ไมอลัลลอฮ์กำหนดนะหุนนะมาดิชั้นฟ้า ซา บ, บาสมาวาเจ็ดชั้นฟ้าเลยมนุษย์ขึ้นได้แค่นี้แหละเทียบยิวราหูดีครูฉันขึ้นไปดวงนัน่นดวงนั้นก็นไปเหอะแบฟาโรโลวันนั้นมีความคิดแค่ไหนแค่สร้างอาคารหอคอยสูงๆเนี่มาขึ้นไปไปดูอัลลอฮ์ว่ามีเปล่ารัสเซียก็ส่งยานอวากาศขึ้นไปเหมือนกัน ไปเยียบดาวอะไรไม่ทราบกลับมามาคุยว่าฉันไม่พบอัลลอ์พูดเหมือนกันมีคนกาเฟตพูดมันก็หมดเลยดูถูกเยียดหยามพูดสร้างชั้นฟ้าในแผ่นดินนะครับรอัลอให้อาไปเลยมีคนเคารพนับถือยกย่องเอาไปให้โลกเดียวนะโลกพอตายมาถึงข็อหอยฟับเองหมดอืมฝากอัลอฮหุ่นนับาอะสมาฮาตอัลลอ์ Allah ได้กาหนด ชั้นฟ้าทั้งเจ็ดนี่นะรวมถึงมานอะไกันด้วยนะรวมดาวทั้งหมดนี่นะฟีเยาไม้นี่กี่วันสองวันเหมือนกันสร้างแผ่นดินสองวันสร้างชั้นฟ้าสองวันนี่สร้างอะไรก่อนแผ่นดินก่อนชั้นฟ้าทีหลังต่อมาครับว่าเอาฮาและเราได้บัญชาฟีกุลลีในทุกทุก สามารถชั้นฟ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นอัมรอฮะหน้าที่แต่ละชั้นมีหน้าที่ทำอะไรนบีตายแล้วไปอยู่ชั้นฟ้าที่เท่าไลอดลจัดไปหมดเลยนบีอาดามอยู่ชั้นเท่าไหร่นบีอิบราฮีมอยู่ชั้นไหนนบีมูซ่าอยู่ชั้นไหนแล้วก็มลาอิกาทำหน้าที่อะไรบ้าง แล้วก็เมฆอยู่ตรงไหนเอาล่ะจัดเปหมดเลยแต่ละชั้นแต่ละชั้นละเอียดยิบต่อมาครับเล่าให้ฟังว่าใจยานสัมาแล้วเราได้ประดับใจยานได้ประดับชั้นฟ้าของโลกดุนยานี่นะชั้นฟ้าของโลกอื่นๆมีอีกนะแต่เฉพาะพวกเราวันนี้นะโลกดุญญนยาแบนี้ชั้นฟ้านี้บีมาซอบี ด้วยมอสราบเบแปลว่าดวงดาวเดิมเนี่ยแปลว่าตะเกียงเรามองอยู่บนเนี่ยบนดวงยาเนี่ยมองชั้นฟ้าเดี๋ยวนี้มันเคยมองชั้นฟ้ากันแล้วมองนี่ใช่ได้ไม่ใช่มองนี่ถ้ามองกุงอ๊อ่านเขายังชั่วน่อยถ้ามองกรุ๊กอานกุ๊อ่านสอนไอ้มองชั้นฟ้าบังเว้ เราได้ประดาประดาช้สปาแห่งโลกโดุงดาวนี้ด้วยดวงดาวงั้นดูสิในตับซึ่องอธิบายบอกว่าดวงดาวนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเดินชนกันเลยไม่เคยเดินชนกันเลยแต่ใ น, นกทมเราเกษรนัครินเนี่ยนะเอาตัวอย่างใกล้ๆนี่นะชนกันทุกวันใช่หรือไม่ใช่อยู่คนละฝั่งนะนะอยู่คนละฝั่งยังชนกันเลยนะ่ะ แล้วผู้หญิงหมอที่โรงพยาบาลอะไรที่ขับจักยานเนี่ยจากมอเตอร์ไซค์โคดชน น, นั้นทางด่วนนะทางไหนนะทางมาลายอะ่ะเนี่ยติดตามเรื่องข่าวสารเนี่ยชนคนตายได้ยังไงอะ่ะแต่เนี่ยอัลลอฮ์เล่านะ่ะผูชานฟ้าน่ะดวงดาวมากกว่าประชากรโลกอีกนะเดินไม่เคยชนกันเลยใครจัดใช้ทั้งยากราดวงอาทิตย์ยากราดวงจนันทร์ยากราดวงดาว กาบใครกาบอัลลอฮ์ผู้บริหารโลกใบ น, นี้แต่เพียงผู้เดียวเปิดสมองอยังโหทำดูลีเล่ในเล่าในฟังไม่เชื่อก็ได้อัลลอฮ์ได้ประดับประดาชั้นฟ้าแข่งโลกดุนยานี้ด้วยดวงดาวข้อที่สองให้ฟุอน ร, รักษาด้วยรักษาด้วยไม่ให้ชั้นฟ้าเนี่ยรือบ้างชันฟ้าเนี่ยอะไรชอบขึ้นไป ชายตอนชอบขึ้นไปใช่ไหมไปฟังอะไรไปฟังว่ามรารีการนี่คุยอะไรกันอัลลอฮ์สัง่งให้มรารีการทานู้นทํา น, น, านี้ชายตอนก็ขึ้นไปแอบฟังและเอามาหาหมอดูข้างล่างอ่ะอ่าให้ฟอนตัวว่ารักษาดูแลไม่ให้ชายตอนขึ้นไปเพ่ น, นพันเพราะขึ้นไปแล้วมีดาวแลนะ้วะครับที่ว่าดาวตกไล่าชายตอนต่ออีกมีมรารีการไล่ไล่ไหมเพราะมี ดาวตกลงมาไล่ใส่ตอนนี่ให้ร้อนแต่ว่ารักษาดูแลเล่าให้ฟังอรอรอรักบานอันยังครับนี่งานอลร อ, รอรหมดเลยนะงานพวกเองไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องนี้ไปอ่านกุนอานนูน้นไปศึกษาหากรมจ้งานไปดูขึ้นมาทหารยศต้องไปดูแลเมียอย่าด่าเมียอย่าด่าลูกอย่าตกหน้าลูกดูแลแค่นี้ดูแลไม่ได้อะกับพ่อแม่ตัวเองยังด่าเขาเลยเป็นอะไรอ่ะ ดูแผ่นดินอลัลลอฮ์รักษาชั้นฟ้ารักษาดวงดาวชั้นรักษารักษาดูแลไมื่เล่าให้ฟังเองไปดูแลไปเหนื่อยเรื่องนู่นเรื่องม่คือเรื่องเองอรอให้มนันดูเหนื่อยทำไม่ได้ <c> ัน <oughs> นี่เป็นต้นเอาต่อมาครับลาลิกานั่นตักดีตเป็นการกำหนดอัลอาซิดอลัลลอ ศิฟัดอัลลอฮ์นะผู้ทรงอำนาจท่ลาล阿บุตรทรง ร, รูุนี่อัลลอฮ์กำหนดแล้วปลอดภัยยิ่งใหญ่สวยงามอัลห์เดอริเ ล, ล่ไม่มีอะไรมาเทียบเท่าอ ล, ลังห์เดอริเล่นี่ดวงจันทร์กับดวงดวงอาทิตย์นะใครใหญ่กว่ากันเรียนวิทยาศาสตร์ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นี่นะดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงของตัวเอง วดวงจันทร์เนี่ยได้แสงมาจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่นะเล็กกว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงจันทร์ยี่สิบเจ็ดล้านเท่ายี่สิบเจ็ดล้านเท่าจะมีความรู้ก็เรียนเป็นเนตัฟซีทอธิบายหมดเลยอัลลอฮฺอัลลอฮ์ละห์มดูแลอัลลอฮ์มุสลิมทั่วโลกเนี่เขาเรียนเรียนอะไรเยอะมากแล้วเก็บไว้ในตัฟซีท พออา่านคุรอานและอิมานมันเพิ่มมานะอ๋อยิ่งใหญ่จริงๆตัวลงว่าดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่านะยี่สิบเจ็ดล้านเท่าอายัสุดท้ายกับฟาอินอ้ารดูฟะกุลอันซารตุกุมซาอิกะตัมมิสลสาซาอิกะติอาดิอวาซามูด ฟ้าอินเอาระดูฟักุลอันดารตُคุมซาอิกะตัมอิสลักษ์ราอิกะติฮัดิห์ว و َาَ م ُ م و د จารย์นี่ต <ود> ักหากที่รบีอาอัตบะบินรบีอาฟังแล้วเข้าใจวักนี่วักเดียวอ่ะอ่านมาแต่ง ส2องอายะไม่เข้าใจสร้างชั้นฟ้าสองวันสร้างดินสองวันสร้างอาหารสี่วันไม่เข้าใจนี่มันอะไรมันเกินความสามารถตัวเองอ่ะเพราะมันบูชาเจเวิอยู่มึงจะคิดอะไรออกกล่ะเข้าใจไหมลาสอซามานากราบจเจวทอยูยืนไปคิดเรื่องบุญญามันคิดไม่ออกอยู่แล้วก็เลยมาอายะสุดท้ายที่สบาเนี่ย ไปเล่าให้พวกฟังว่าฉันได้ยินภาษาอาหรับแต่ฟังไม่ออกแต่ที่จำได้รออีโกอตันไัยพิบัตมิสลสรออีโกอตินเยี่ยงไัยพิบัติของพวกอารสมมติฉันเข้าใจแค่นี้เองที่อานมาสิบเอ็ดยาสิบไม่เข้าใจพูดภาษาอาหรับแต่ฉันไม่เข้าใจเข้าใจอายาที่ิ13านี่แหละ ภัยพิบัติใครที่ปฏิเสธอลัลลอ์เองเจอแน่แน่เจอก่อนตายหรือไม่ก็เจอหลังตาเจอแน่แน่นี่อลัลลอ์สัญญาเอาไว้แล้วระบียร์อุตบะเบิระบียร์ปบอกพวกเอ้ยปล่อยมึงมดเถอะฉันฟังภาษาเขา อ, อ่านแล้วเนี่นะเขาไม่ีโอกาสได้ครองโลกใบนี้ ถ้าเราถ้ามูฮัมหมัดดังแล้ววันนั้นนะเราเดินตามมูฮัมหมัดหุ้นกับมูฮัมหมัดไม่ดีกว่าหรือ <c oughs> เป็นบอกกบพวก <c oughs> เอาอายะายอุชายอินตบะถ่าหากอ้า เ, อาเราดูแปลว่าอะไรนะหันหลังถ้าหากพวกเขาหันหลังอาจจะแป ง, ไ, งไม่ฟังการเชิญชวนด่าว่าของท่านนาบีไม่ฟังกูไม่ฟังมึง แล้ววันนี้ยังมีไหมยังมีอยู่ครับสอนซุน่าในเผยแผ่ตามสโเราไม่ได้นะอย่าเอาซุน่ามาสอนที่สูเ่เราฉันนะ่ะซุน่าเข้าบ้านฉันไม่ได้แต่ถ้าเอาความคิดของยะฮูดีเข้าเข้าได้แฮปปี้เบิร์ดดีเข้าบ้านฉันได้วันสําคัญสําคัญเข้าบ้ญนฉันได้แต่ซุน่านาะบีห้ามเข้ายิบุสลิมบางคนเป็นแบบนี้มีไหมมีครับสงสารขอดุทิศเถอะเร า, าเปลี่ยนใจอ่ะ นะฟาอินอัลรอดุถ้าหากขั้วเขาในหันหลังนะไม่ฟังการเชิญชวนของนบีมุฮัมมัดหรือไม่เอาสุนา่นานนบีเข้าบ้านฟาคูลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดวันนี้นบีแล้วก็พวกเราเนี่ยที่ทำงานศาสนาเนี่ยจงบอกเขาอันซาลตุกุมฉันขอเตือนพวกท่านทั้งหลายคนที่แอนติอิสลามแอนติสุนา่นานนบีทั้งหมดนี่นะ ซออีโกตันภัยพิบัตเองเจรญแน่ซออีก็เนี่ยอุตบาว่าฉันได้ยินคําเดียวซออีก็ไปเล่าให้พวกฟังเ่ยฉันได้ยินคำว่าซออีกอย่างเดียวแปลว่าภัยพิบัติมิสละเหมือนหรือเยี่ยงซออีก็าภัยพิบัติของพวกอาตและสมุทรในอดีตที่ผ่านมาอัลลอฮ์เล่าและกะฟิกอ่านให้ฟังแล้ว ผ่านนบีมุฮัมมัดมาตัวเราว่าคนที่ไม่เอาไม่เอาดาว่าของนบีประชายไม่เอาคําสอนของนบีประชายเจอไม่เจอเจออะไรครับซออีกอภัยพิบัติเหมือนใครอาตสมูดอาตสมูดเนี่ยต้องนึกนะหนึ่งร่างใหญ่กว่าเราอายุมากกว่าเรารวยมากกว่าเราไม่ใช่อยู่บ้านอย่างนี้ เขาสกัดภูเขาอยู่ใหญ่ยยกว่าเราหมดสูงกว่าเรารวยกว่าเราแข็งแรงกว่าเรามีเงินมากกว่าเราตำแหน่งมากกว่าเราสารพัดยังไม่รอดเลยและเรามีอะไร <c oughs> อายุแค่หกสปีนะทรยศต่อร้อยเลนี่เตือนฉะนั้นน้องน้องถ่อมตนเถออาสนะนบี เอามาใชาในบ้านเธ อ, เอให้หลูกชายให้เมียช้ใหญาติพี่น้องช้อย่าขวางสุนันทามบีคําว่าฝากกุลอนรัตุกรมฉันขอเตือนพวกท่านทั้งหลายคนที่ขวางสุ น, า น, นาันทามบีนะครับไม่เอาสุนันทามบีแม่เ อ, อิสลามมาดำเนินชีวิตซออิโ ก, กภัยพิบัติมิสลาเหมือนกับซออิโกตี่ภัยพิบัติของใครอาสและสมูทร ถูกแน่ๆครับน้องซิบิลา่อนจะจบขอฝากนะครับท่านฮัสซันบินอาลีหลานนาบีพูดบอกว่าให้กล่าวคำนี้เยอะๆที่บ้านของท่านที่อะไรที่ที่ทานอาหารของทุนน่ะที่ถนนจะเดินไปไหนมาไหนก็ตามที่ตลาดด้วยคุณประชุมกันอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนให้กล่าว ullah, อัสตัฟุรุลลอฮ์เยอะๆหลานนาบีมุฮัมมัดชื่อท่านอะไรท่านฮัสซันบินอาลีสอนให้กล่าวอิสติกฟารอัสตัฟุรุลลอฮ์อัสตัฟรุรุลลอฮ์ที่ไหนที่บ้านของท่านที่ที่เสือกินอาหารของคุณที่ถนนที่ตลาด ที่ห้องประชุมของคุณ่ะในรัฐสภาก็ได้แต่ใครไเอาเอาวะแต่เนี่เตือนให้ฝังไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาแต่คนที่มี إيمان เขาเชื่อกับอิสติกฟานแล้วก็ไม่รู้ว่ารอนเนี่ยจะพยโทษให้เมื่อไหร่ยังไม่รู้นี่นะฉันให้กล่าวอัสลามุณุลลอฮฺอัสลามุณุลลอฮฺฉันขอพยโทษต่อละหมดเวลาคบสุภาห์กุลลอฮง่ะปิหัมิกรัลอิอัสตักฟรุกว ขามอ๋อในบ้าน